การละชั่วแล้วก็มีจิตใจที่เป็นกุศลก็คือมีความฉลาดฉลาดในการคิดฉลาดในการพูดฉลาดในการทำทำดีทำงานนะทำหน้าที่นั่นแหละทำในความฉลาดอันนี้จะมีสมมติบัญญัติต่างๆมากมายแล้วก็เละเต็มโลกเลย อย่างเ่นเรามาวัดปาสุกโตการปฏิบัติเนี่ยคือต้องได้ยินได้ฟังพอได้ยินได้ฟังก็สรุปด้วยจะประเด็นให้ถูกด้วยรอน้อมอา ป, ปฏิบัติที่ตัวเราไอ้ตรงนั้นเ่ะถึงจะเข้าถึงตัวชําระจิตให้ขาวเราการละชั่วยก็คือความรู้สึกตัวแหละถ้ารู้สึกตัวแล้วมันก็ไม่ได้ไปทำช่วคิดช่วยพูดช่ว มันแล้วก็แล้วไปของสึกตัวแต่ละขนาดละ่ะมันทําให้คิดดีคิดเป็นเมื่อก่อนความคิดมันกระจุยกระจายเราไม่เคยเห็นมาหรอกเรื่องที่เห็นนนิดเดียวของหยาบหยาบความคิดหยาบหยาบที่เห็นว่าเราคิด น, นิดเดียวเหมือนเห็นในยอดภูเขาน้ําแข็งใต้ทะเลมันจะมีน้ําแข็งน อีก้อนใหญ่มากเราทำไงถึงจะเห็นความคิดที่มันเป็นความคิดทั้งดีทั้งไม่ดีเพื่อที่จะจดระเบียบมันแอมเจตนาคิดแล้วเกิดประโยชน์รู้จักตัวเองวงตระกูลรู้จักความรู้ความสามารถเรารู้แค่ไหนควรทำแค่ไหน รู้ที่ประชุมชนต่างๆบางทีเราอยากไปเปลี่ยนชุมชนเปลี่ยนโลกทํ้ใบทางรอนเราคือกลมกลืนอยู่ที่ไหนก็ตามมีความกลมกลืนเรียนรู้มาถึงเวลาเรามีสมรรถนะมีประสิทธิภาพมีความสามารถมีคุณสมบัติที่ดีก็มันจูเราทำงานเองหงาอาชี้ทำบางทีเราก็แสดงตัวอย่างเช่นบางทีมีพระบางรูปมาบวช ครับผลบวชนะผมเป็นศิลปินครับหางานอะไรที่มันวาดภาพนะให้ผมทำหรือว่าผมจะวาดภาพเนะี่ยได้ไหมครับอารมาหรือผมบอกอย่างเดียวเลยว่าบวชนิดเดียวเนะี่ยปฏิบัติทำลงไปไม่ต้องมาโชว์ฝีม้ลา ย, ลายมืออะไรหรอกเนะท็มกันที่สุดก็คือนะการฝึกความรู้สึกตัวให้เป็นปฏิบัติทำให้เป็นนะ กระบวนการชำระจิตให้ขาวรอดนะรเนี่ยมาฝึกมาหาถึงนั้นไม่เกี่ยวกับมากี่วันก็ตามเหมือนญาติโยมเวลามาเข้าคอสโยมมาวัดเนี่ยสามวันห้าวันเจ็วันเนี่ยไปเสียเวลาอย่างอื่นอันนี้เรียกว่าสรุปจับประเด็นฟังให้ได้การที่เราจะไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปหรือว่าทุกข์น้อยลงมีความฉลาดมากขึ้นนะควรจะทำอย่างไร พโลกนี้มันก็มีวิธีชี้ต่างๆมากมายชีย้ไปคนละทิ่กนละทางแต่ท้ายสุดเราตอบได้ไหมเดยอดวงตัวเองว่าเราควรเดินทางไห น, นมาลับฟังแล้วมาที่วัดป่าสทอยพูดถึงความรู้สึกตัวการเคลื่อนกลั่นไหวแต่ละขณะเนี่ยตรงนี้นจะขุดคุยพอสมควรขุดคุยจิตใจของเราจนเห็นหนั่นแหละ ลักษณะของภูเขาไฟใต้ทะเลนั่นแหละภูเขาไฟน้ําแข็งมันมีไฟอยู่ด้วยเงี้ยบางทีทำเป็นเย็นนข้างในเก็บกดอย่างเงี้ยเราจะเห็นหรอกะมันดินยึกยึกยึกยกยึกยึกอยู่ข้างในมันคันปากอยู่างเงี้ยหรือว่ามันมันมีปฏิกิยาต่างๆเี่ยร้อนร้อนลุ่มลุ่มมันปรากฏอยู่ซ่อนซอนอยู่พอเราฝึกการเคลื่อนกันไหว เราได้เห็นมาหรอกราคะปฏิ้ะมานาทิตติต่างๆอัตตาตัวตนความยิ่งประโยองทรนงยังโศหังโอดมันจะเกิดขึ้นมาจากข้างในงเราโดยวิธีคิดต่างๆตามจริตตามนิสัยนะ่ะได้เห็นเลยทดลองปฏิบัตินะถ้าไม่ไปฏิบัติอยู่โ น, น่นอยู่นี่อยู่นั่นไม่ได้เห็นหรอกแต่ไมื่อไรก็ตามเรา กลับมาดูด้านในของเราในตรงเนี้ทําเธอะงานอื่นเราก็ทําบ้างหรอกแต่ว่าไม่ใช่ว่าทำจนกระทั่งเหมือนก็อยู่ข้างนอกก็ทํางานอยู่ข้างในก็ยังมาทํางานอีกระเบียบพินัยของพระก็มีอะไรมากมายกฎนะไม่ให้ทํางานนะเยอ ะ, อะพิสูจน์โอเองะมีเยอะก็มีคําบอกอยู่ไปเปิดอ่านเอาเองแล้วกันจะจริงหรือไม่นะมาพิสูจน์ด้วยตัวของเราอยู่ที่เราจะทําอะไรก็ตามเห็นคนหลายคนทําแต่ท้ายสุด ตายไปไม่เห็นมีใครพูดถึงสักคนพอสึกไปไม่เห็นมีใครพูดถึงสักคนเยอะแล้วสิปีเนี่ยนะยังไปแล้วก็เงยียบเลยมีใครพูดถึงนะความดีความงามเลยมีใครพูดถึงนะแต่ที่จะพูดถึงนั้นมั่งคือคนนี้ไปแล้วก็มีความรู้สึกตัวไปแล้วก็ยังพูดจาบอกคนจนกรทั่งเขาตื่นตัวกันใช่ น, กก น, า อ, นอาจารย์คำพลทองบุนนุ่มอาจารย์คำพลอาจารย์สอนพระไล่รู้ธรรมะ รู้ระดับไหนก็ไปฟังเขาเลยงละกันแล้ว ก, วก็ปฏิบัติเอาเราก็จะรู้หรอกใครเป็นยังไงเนื่องจากเราเห็นเรามีความรู้สึกตัวตรงเนี้อย่าให้เสียเวลาเลยมาอยู่กันแล้วเนี่ยวิชากรรมฐานเป็นวิชาชาระจิตของตัวเองให้ขาวรอบทําดีก็ทุกข์กับความดีนะหลายคนทําดีไม่เป็นนะป่วยงานก็ทุกข์กับความดีเช่น ทำดีไม่ถูกคนแค่ไม่ถูกคนนีมันก็ใช้ไม่ได้แล้วคนก็เอกรเตียนนะดีขนาดไหนก็นินทาดีขนาดไหนก็ไม่ได้ชมหรอกไม่ได้ชื่นชมก็มจะจับผิดเป่งโทษหรือว่าเหยียบย่ำ ม, มีอยู่แค่นั้นมันก็ดีแต่มันดีสำหรับนักปฏิบัติธรรมเขจะกลายเป็นครูเป็นโจทย์ทำให้เราเข้มแข็งแต่ไม่ดีสาหรับคนที่อ่อนแอคนนี้อ่อนแอแค่ตัวเองมันก็ยังปวดเปียกอยูม่มะแบกภาระอะไรไหว เจออะไรนิดหนึ่งก็ร่มคลืน่นเจออะไรนิดนึ่งก็ท้อแท้เบื่อท้ายสุดอยู่ยากในโลกใบนี้นโลกนี้มันโลกมนุษย์ใจมันเลอะนะท้อแท้เบื่อเศร้ามันเป็นจิตที่ไม่เหมาะหรอกที่จะอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยโลกมนุษย์ต้องการคนที่เข้มแข็งนะจิตใจที่เข้มแข็งนี่ผ่านอยู่ได้ฉลาดรู้จักเอาตัวรอดมีความอ่อนน้อมต่างๆ บางคนทําดีไม่เป็นอีกนิดเดียวจะดีก็ท้อไปแล้วเปิดร้านทํำท่าจะขายได้แต่ทอ้อซะก่อนทนไม่ไหวอีกสักเดือนแอมจะขายดีอยู่แล้วเงี้ยทนไม่ไหวก็เลยล้มคลืนเลยใครอยู่ต่อก็มั่งคั่งไปมันก็วัดกันแบบนั้นแหละหลายสิ่งหลายอย่างโาครคภัยไข้เจ็บมก็วัดภูมิต้านทายในตัวเราถ้าผ่านได้มันก็เป็นวัคซีนอย่างเช่นโรคหวัดเนี่ย ใครป่วยเป็นโรควัดหายนะโรคตัวเดิมหวัด ต, ตัวเดิมเชื่อตัวเดิมไม่มาอีกไอ้ที่ป่วยกันแต่ละตัวเธอหวัด ต, ตัวใหม่เท่านั้นสายพันธุ์ใหม่ทั้งหมดนะัะถ้าเรามีแล้วนะของการป้องกันที่ดีมีภูมิต้านทานที่เมก็ผ่านตลอดมันก็มีแก่นขึ้นมานะ่ะมีเลี้ยวมีรอยของความดีความสดความสวยถ้าเปรียบเหมือนต้นไม้ล้วก็โอ้ยิ่งนานบันยิงไรสวยวราคาดีใด้คุณได้คด่าจะมาจากการมีชีวิตของเรา ทำดนะีไม่ถูกกาละเทสานะี่เทสานี้เทศกาลนี้ก็ทำกันอย่างนี้ก็เราไปทําอย่างอื่นซะมาที่นี่ก็เคลื่อนไหว14ว่าเราก็ไปทําอย่างอื่นซะมาที่นี่เขาก็พูดถึงเรื่องการฝึกเจริญสติแนวเคลื่อนไหวแนวหลวงปู่เทียนเจรโพแนวที่หลวงพ่อมเขียนท่านพาทํากำลังไปพูดวิธีการอื่นซะยกย่องอาจารย์อื่นกันซะแทนที่จะเชิดชู กตัญญูต่อครูบาจารย์กับกลายเป็นการหักหานทำลายเหมือนกับหมาที่กินเชือกไอ้คนฟันก็ฟันไปเถอะเชือกหนังแต่คนกัดคนกินก็กินควันท่าไยก็ไม่ยาวสักทีก็เลยว่าทำมากไม่จเจริญแทนที่จะได้ผลจากการปฏิบัติกันมาเสียเวลาเวลาวประเภทนี้มันก็เลยเป็นเรื่องของตัวใครตัวเราอยู่ตรงไหนก็ตามก็ต้องมีปัญญาแหละ รู้จากชุมชนไหนทําอะไรรู้จักว่าบุคคลนี้เป็นคนอย่างไรต่อหน้าเป็นยังไงรับหลังเป็นยังไงนี่ใส่ใจคอเป็นยังไงแล้วก็ดูแล้วก็ออกมันเห็นในตัวเรามันก็เห็นตัวเขาตีโจทย์แตกกันอยู่จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องมุ่งมั่นละละายอย่าเสียเวลากันรู้เห็นว่าเป็นเรื่องเลื่อนลอยเพ้อเจอ้อเป็นเรื่องที่อยู่เพราะว่าอากาศดีอย่างเงี้ยบางคนโอ้ยสุขอากาศดอีอยู่ที่เืินที่ร้อนเหลือเกินมาที่นีน่สบายอย่างขึ้นสวรรค์ เจแค่อากาศเช่นั้นหรือด้วยน้ําที่นี่อ่าวแล้วสบายตัวจังเลยน่ะ อ, อาไปาอาบไปาอาบไปาบางคนก็เอ้ยมันไม่ใช่นะไปดีกว่าจะมาอยู่เพราะน้ําจะมาอยู่เพราะอากาศจะมาอยู่เพราะอาหารที่นี่อาหารดีอาหารธรรมชาติดีของน้ํามันเยอะดีอน่ะอยู่แล้วสะดวกกุดที่ทําดีรู้สึกมันทําแล้วอบอุ่นดีเป็นหลังเป็นหลังเป็นหลังโอ้ถ้าอยู่เรื่องพวกนี้เสียเวลาแล้ว นั้นถ้าเราอยู่กับความรู้สึกตัวตรงนี้แหละชื่นจะงอกจะงามนะแต่ว่าเราสรุปจับประเด็นได้หรื อ, อยังว่าอะไรคือการปฏิบัติธรรมโดยปฏิบัติป่าสุขตเนะี่ยถ้าบวชเราบวชพระอกหกัหกหลักลอยคอยงานส้องแานเสื่อมหรือว่ามันเริ่มนใส่ศรัทธาหรือว่าบวชจะเบียดบวชแก้บนกันมาหรือบวชแคเพียงว่าเป็นลูกผู้ชายไทยอายุยี่สิบปีเราจะต้องบวชเพื่อที่จะได้เป็นคนสุขเนี่ยมันใช่หรือเปล่า สุขเป็นสุขเกษมสารนะสุขที่เกิดจากการมีสติปัญญาแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นถึงเราจะรู้นะรู้ธรรมแปดประการหรือว่ารู้ธรรมะของอรรถธรรมแล้วก็นําไปใช้ก็เกิดมาจากการที่มีสติเริ่รู้อะไรได้รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่แหละมันจะเห็นจากหยาบไปหาละเอียดเห็นความทุกข์ในโลกนี้ไม่มีอะไรมันมีอ่าการถ้าเาไปย็ยดเป็นทุกข์หมดแหละแต่ถ้ามีปัญญาไนงะ ทุกๆอาการทุกๆอย่างที่เราสัมผัสเนะี่ยเอามาเป็นประโยชน์ได้หมดเลยไม่ว่าอะไรก็ตามในโลกใบนะี้มองในแง่ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์เลยแต่ถ้ามองไม่เป็นนะมันทุกทั้งนั้นจะอยู่ตรงไหนก็เป็นทุกอยู่กับตัวเองก็เป็นทุกมีตาก็ทุกตามีหน้าก็ทุกหน้าเท้ามันเดินอยู่ตลอดเวลาเวลาแต่ไม่่อยล้างเท้าล้างแต่หน้ารักษาแต่หน้าเท้าไม่ค่อยดูก่อนนอนเคยล้างเท้าไหมอย่างนี้ เราก็จฉลาดรู้เราก็เห็นแล้เออมันมีอะไรกับทุกประสิ่งนั้นมีกายทุกประกายหรือ ว, ว่ามีใจกับทุกประใจอันนี้คือคนที่ไม่มีสติเขาพูดกันแต่ถ้าคนมีสติมีปัญญาก็เออมีกายก็เอากายมาเป็นประโยชน์มีจิตมีใจก็เอาจิตใจมาเป็นประโยชน์มีความคิดก็เอาความคิดมาเป็นประโยชน์นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันได้ประโยชน์เห็นก็ด่าเรายัางได้ประโยชน์เลย เห็นว่านินทาเรายังได้ประโยชน์เลยวันนี้หิวยังได้ประโยชน์กับความหิวเลยเนี่ยป่วยยังได้ประโยชน์การป่วยเลยรนะได้ศึกษาธรรมะมันเปลี่ยนพลิกเลยเป็นคนละทางเลยอย่างเงี้ยเปลี่ยนเป็นทุกข์เป็นไม่ทุกข์อย่างเงี้ยจะว่า ย, ยัางไงจากที่เคยร้อนวูบเนี่ยจากกรดเนี่ยไปรกรดเนี่ยจะว่า ย, ยัางไงหากห่อเป็นดอกไม้อย่างเงี้ยจะว่า ย, ยัางไงกระพุ้งห่อพวงหลาวมางกายเป็นเออดอกไม้บูชาพระเจ้าจเย็นข้างในสวยงามไปเลยชีวิตเนี่ย มันก็มีอยู่ในการไปฏิบัติธรรมเปลี่ยนง่วงเป็นไม่ง่วงเปลี่ยนเมื่อยเป็นไม่เมื่อยเปลี่ยนเบื่อเป็นไม่เบื่ อ, เ ป, เ, อเปลี่ยนคิตกลับมารู้สึกที่ฐานกายมันเปิดแล้วมันก็ต้องเห็นน่ะะแต่ว่าจะไม่พูดกันทํามันใจเวลร่ำไปลาอันนี้ก็ต้องดูกาลเทศะองค์สมเด็จสามพระเจ้าเราก็เห็นแล้วว่าเออท่านก็เริ่มต้นที่ฐานรู้ได้ไงก็เริ่มต้นที่ฐาน ถ้เช่นว่าสละราชสมบัติน่ะแมวแล้วสมบัติปราสาทสามฤดูก็แมวแล้วใครจะอยู่ก็อยู่ไปนางสนมกำนันในก็ส ล, แลาแล้วแมวแล้วท้ายสุดก่อนบวชมีคนขมาขอเด็ดนะขอทานมาขอชุดฉลองพระองค์พระองค์ก็สลาแล้วแมวแล้วชุดแพพันชั้นดีเนี่ยปักดินทองเรียมระยับเอาให้ขอทานเอาชุดขอทานมาใส่แทนก็ได้เดินเข้าป่าไปเลย ทำทานเสร็จแล้วก็เริ่มเห็นนะเออมันมีลักษณะของพรามนะของพวก อ, อโยคีต่างๆหรือสีชีไพรนกะ็เห็นมาออกแลเราก็ลองมาพิบัติดูอดข้าวอดน้ำนี่นะก็คือการรักษาศีนั่นแหละทํากายทําใจของเรานะไม่ทําเบญทํากรรมทําบาปนี็คือการรักษาศีนไม่ฆ่าสาัตว์ตัดชีวิตนี่ไนงะ ก็เคยเห็นเหมือนกันไปประเทศอินเดียมันมีศาสนาเชนนะที่เกิดจากอศาสดาของเขาทีนะ่ชื่อว่ามหาวิระแล้วก็ท้ายสุดก็คือไม่นุ่งผ้านุ่งลมห่มฟ้าเนะนี่ยแหละหนาวก็เอาขี้เท้าเอาดินเหนียวมาพ อ, อ, อกตัวนะนะเรียกว่าเหมือนจีบเปลยนะประเภทที่ว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปเลย นูถึงเขาเขาถึงนมผมถึงตีนแล้วก็แก้ผ้าเนี่ยก็ได้เห็นกัุ้กรตามาแล้วมันเป็นรัฐที่ที่เกิดก่อนทุกศาสนานาทไทยจะก็คือมีโอสมเด็จสามาเจ้าสมัยเป็นเจ้าชายสีแท็กก็ได้รู้วิชาุศาสนาหลังจากที่บำเพ็ญทุกขคิริยาต่างๆคือการอยู่ในศีลนั่นแหละจ้างั้งมาเห็นนะเอ๊ะมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ ไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินอะไรทั้งนั้นอดไปเลยไทยสุดก็คือไม่เห็นความคิดของตัวเองวันเพ็ญเดือนหกขึ้นสิบห้า้ามยามสามปีละกาเป็นวันพุธวันนั้นฉันข้าของนาวสวยตาแล้วก็ขอนั่งเป็นครั้งสุดท้ายพอไม่เห็นความคิดขึ้นมาด้านั้นโอ้พุทโธอุ ท, ทอานออกมาก็คือาศาสนาพุทธนั่นแหละพุทธพุทโธพุทโธเป็นคําอุทาน แต่ก็ไม่ได้ใช้คําว่าศาสนาพุทธไม่แต่ศาสนาธรรมมั่วินัยศาสนาธรรมมัวินัยมาตลอดนมายุคหลังมาเรียกศาสนาพุทธกันอย่างนั้นเจออะไรนะก่อนที่จะบรรลุธรรมแล้วเราปฏิบัติเหมือนกับท่านหรือเปล่าก็คือท่านเจอหนะน้าของความคิดนะี่ฝนตกก็กลัวฝนตกนี่กลัวนะกลัวหนาวเวลานั่งเนี่ย ลมพัดกันานาแต่ท่านก็ไม่วันไหวเสร็จแล้วก็มีพญานาาใช่ไหมมาแผ่พังพันช่วยป้องกันฝนไม่ให้เปียกตัวพระองค์มันหมายความว่าอย่างไงพญาน้าก็คือระดัของการเตรียมจะเป็นพระแล้วแลวหละพญาน้าก็ ค, คือมนเริ่มที่จะอยู่ในศีลมีความสงบมีระดับของ การจะไปไหนมาไหนเนี่ยหยุดนิ่งหยุดไปไปไหนมาไหนมันก็ละก็แล้วต้องมีพญานาคคุ้มครองจิตนิ่งขึ้นมาอย่างเนี้ยแล้วท้ายสุดก็คือเห็นแล้วหนาะของพญามารที่มาในรูปของความคิดต่างๆลูกสาวพญามารต่างๆเกิดขึ้นมามีหนาของคนนินทาสรรเสริญมีราบเสริมราบมียอดเสืมยอดมีสุขมีทุกแสดงออกมาเป็นกองทัพเลยอย่างเงี้ยนะ แต่ก็เปลี่ยนร้อนหะนักความร้อนเป็นความเย็นแล้วนหะนัแหลมคมเป็นดอกไม้ตัวนี้ยอะไรที่มาแหลมแหลมคมคมพุ่งใส่เปลี่ยนเป็นดอกไม้หมดสวยงามก็คือสภาวะของปัญญาที่เริ่ม ง, งอกงามขึ้นมาอย่างนี้ท้ายสุดเป็นไงเจอแดดเจอฝนเจออะไรก็ตามผ่านตลอดนะอุตุนิยามก็ทําอะไรไม่ได้พิจานิยามก็ทําอะไรไม่ได้เกิดปัญญาขึ้นมากรรมนิยามก็ทําอะไรไม่ได้ การเคยทาอะไรมากับใครที่ไหนเมื่อไร่มาในเรืงความคิดรูปล้อความคิดทําอะไรไม่ได้เหมือนเราปฏิบัติเห็นไหมตเมโสปุเพก็แต่เหตุสุขทุกขทุกขังนี้คัจจติโพราณกังกรตังปาปังตาเม่เมื่อเจนางได้เห็นไหมการอะไรที่เกิดขึ้นมาเป็นสุขเป็นทุกข์ขณะ น, นี้เหตุเกิดจากทําอะไรมาก็ตามนะมันก็จะมาในรูปของความคิดนคิดฝันไปในเดชบ้างไปในอนาคตบ้าง เรากลับมาหาตัวกรรมฐานแล้วก็ยอมรับสภาพทุกครั้งที่ความคิดเกิดขึ้นมาก็ยอมรับสภาพกลับมารู้สึกตัวไม่ปฏิเสธไม่ผลักไสรับรู้รับทราบเฉยๆปัญหาเก่าๆที่แกไม่ตกรับรู้รับทราบเฉยๆแล้วกลับมารู้สึกตัวปฏิบัติธรรมเราไม่ได้มาปฏิบัติกรรมจะได้ไปร่วมปรุงแต่งกับความคิดอย่างเงี้ยหลงก็ไปในความคิดแต่จนกระทั่นกลับมาไม่เป็นถ้ากลับมาไม่เป็นก็ไม่ใช่ปฏิบัติ มันก็จะฟุ้งซ่านจนกระทั่งกระอาการที่เรียกว่าวิปัสโนจินญานวิปะลาสจะเกิดขึ้นมามากมายเหลือเกินมันไม่ใช่วิปัสนาถ้าวิปัสนาคือมาให้ถูกมาให้เป็นเนี่ยตัวนี้สรุปจะประเด็นกันได้หรื อ, อยังตอาเราได้ปฏิบัติเราได้เห็นหรื อ, อยังนะมันต้องเห็นเพราะว่าองค์สมเด็จสัมมาจารย์ก็เห็นหลวงปู่เทียนก็เห็นหลวงพ่อมเกลียนก็เห็ น, ห ผ, น, หนผู้อาจารย์ที่ปฏิบัติ โยมก็เห็นหมันเหมือนกันนั่นแหละทุกครั้งที่เขาทบ ส, สัมผัสรู้สึกกับตัวเดียวกันเวลามีความคิดเผลอไปกลับมาได้ก็เหมือนกันเวลาคิดมก็คิดเหมือนกันนั่นแหละะเวลาปรุงแต่งเป็นความโลภความโกรธความหลงก็เหมือนกัอนอีกนั่นแหละในโลกนี้มันมีใครอ่ะที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอ่ะถ้าจะมีมีแต่พระอรหันต์เท่ า, านั้นนอกนั้นเราเหมือนกันทุกคนเหมือนๆกันเมื่อเรามารู้สึกตัวปฏิบัติเหมือนกัน มันก็จะต้องเห็นเหมือนกันมันเป็นทางเดินของธรรมะธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาพระเจ้าก็เห็นแล้วเป็นเรื่องของมัจจิมาปฏิยทาทางสายกลางเป็นอริยมรรคมีองค์แปดเดินไปทางนี้เลยเพราะฉะนั้นมันเป็นทางรัดสู่ความพ้นทุกข์ชาพุทธก็ควรเข้าถึงกันนั้นมาวัดป่าสุขโตก็ต้องวัดกันหน่อยมันอยู่กับบ้านอยู่กับย่าอยู่กับเรือน มันวัดยากว่ารมมันเยอะเนี่ยเดี๋ยวมาทางตาทางหูจังหวงเล่นกายใจนะมาเยอะไปหมดบางทีก็ได้ด่างใจอยากอะไรก็ได้อย่างนั้นอยากเยน็นได้เย็นอยากร้อนได้ร้อนมาที่นี่ไม่ได้ยิงพระนี่ไปเดินซื้อของหน้าวัดเนี่ยเห็นแล้วหน้ารังเกียจจริงๆหน้ารังเกียจมากๆชาว บ, บ้านก็จะด่ารังเกียจอยู่หรอกแต่เพียงเท่ว่าร้านค้ามอยากได้ตังค์มันก็ขายให้แต่จริงๆมันก็ไปนินทาบอกกันต่อๆไปซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อนู่น เสียหายหมดเลยเอพร้ที่อยู่ขนานานเนี่ยเสียหายที่อยู่วันสองวันไม่เป็นไรหรอกมันมาทําขี้ไว้แล้วมันก็ไปเรียกว่าอยู่่บนเรือนขี้รถบนหลังคาพวก น, นี้ดังนั้นอย่าทำกันถ้าได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยอยู่ที่นี่นะมียังไงก็ใช้กันไปอย่างนั้ น, น, น, นขนถวายก็นั่งรถนั่งเรือไปซื้อของกันตามร้านค้าอะไรนะเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันสลดใจทํากันทําไมก็นไม่รู้ เราอยู่แค่ผ้าสามผืนมีกินบาตลูกเดียวเอาแล้วนะนะตรงนี้ขับรถขับเรือกันเพ่นพ่า น, นมปหมดนะมันเรื่องอะไรกันอ่าไม่ว่ากันอยากทําก็ทําไปแต่เราจะขับยานของปัญญาวิปัสสนาญาณของเราเรื่องของดันไมยนั่งเดินรู้สึกตัวเนี่ยเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเนี่ยเอาก็ทั่งถึงว่านะลักษณะของความคิดนะที่เป็นเหตุทําให้เราทุกข์ตัวรู้กับตัวหลงตรงนี้ เห็นตัวรู้คือสติรู้สติสติก็คือภาวะของตัวรู้นะมาเห็นความรู้สึกตัวที่เป็นอาการของรูปธรรมนามธรรมกายของเรานั่งก็เจ็บก็ปวดก็เมื่อยอย่างเงี้ยนะมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นอนจดหมายปลายทางมาเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวไงไๆก็ตายไม่พ้นนะตายช้าตายเร็วอันนั้นขึ้นอยู่ที่กรรมพฤติกรรมบางทีเกิดก่อนตายก่อนก็ได้เกิดทีหลังตายทีหลังก็ได้มันไม่แน่ อันนี้ประมาทกันไม่ได้เพราะฉะนั้นปฏิปธรรมต้องเห็นถึงขนาดที่ว่าไฟที่มันไม่อยู่ในแกบน๊บลักษณะของไฟภูเขาที่มันระเบิดอยู่ใต้น้ําแข็งต้องเห็นมันเลยนะมันมีอยู่ต้องเห็นลณะของไฟที่มันไหมอยู่ใต้ชายป่าชายเลนทุ่งเป็นป่าชายเลนที่มันไหมอยู่ด้านในมันมีอยู่ข้างในใจเราจริงๆ เป็นเรื่องของราคาปฏิคะราคาคือลรืนะ่องของการให้ราคาพอเรามารู้สึกตัวรู้สึกตัวบ่อยๆเราจะเบื่อหน่ายไปเลยเรียกว่านี้พิษแท้เบื่อหน่ายตัวเราเองเนี่แหละมันสงสารตัวเองมันเคยอย่างเช่นว่าอยากได้เงินมากเงินนะทางานเน่ยอยากได้แต่งเงินเงินเงินเงินเงินเงินคือพ่อของเทพเจ้าองค์ที่หนึ่ง ไอเทพเจ้าคนที่หนึ่งยังไม่พอ้อต้องเป็นพ่อด้วยนะทุกคนก็หิวเงินหิวเงินหิวเงินนมันทํางานเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็เงินเงินเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่พอใจเนีหนังก็เป็นราคาไปให้ราคากับเงินเพราถือว่าเงินไปหาปัจจัยสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้นะต้อลืมลืมเนื้อลืมตัวกันจ้งเกิดเหตุการณ์มากมายเหลือเกินทําให้เราเหมือนกับว่าเออท้ายสุดเวลาใกล้ตายของแต่ละคนนะ หลายคนถึงกับพูดว่าโอ้เงินไม่ได้มีความหมายอะไรเลยทํางานจนกระทั่งกลายเป็นคนที่ไม่ได้รู้จักรักษาไกาใจของตัวเองกันบางทีทํางานก็โมโหไล่ทางานก็เอาแต่ใจตัวเองเป็นคนที่มั่นอกมั่นใจบางทีมก็เกิดจากเราเชื่อว่าจบมาจากสถาบันดีบางทีเราก็เชื่อว่าเรามีภูมิจิตภูมิธรรมที่ดีมีวิชาความรู้ที่ดีมันเป็นความเชื่อแบบนั้น เสร็จแล้วเราก็จะใช้ความเชื่อของเราเนี่ยเป็นลนักษณะของมานะทิถิเป็นทิถิมานะจะเป็นสัมมาทิถิยังพอทนช่วยกันสร้างโลกสร้างประเทศเป็นลักษณะของวิปวัตัญหาสร้างโลกสร้างประเทศเป็นความดีความงามเป็นความฉลาดแบบโลกโลกเนี้นะแต่พอเรามารู้สึกตัวความรู้สึกตัวมันกับบอกถึงว่ามันเป็นความฉลาดด้านในของเรา เป็นการเอาชนะตัวเองเพราะว่าเวลาเราคิดขึ้นมาแต่ครั้งเนี่ยมันคิดโลคิดโกรธคิดหลงเราก็ชนะมันกลับมามันก็เปลี่ยนความโกรธเป็นปกติความโลมเป็นความปกติเปลี่ยนจากกรทำเป็นธรรมเหมนะจากกอไก่รอเรือมอมา้าเนี่ยเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรร ม, มก็ต้องเห็นธรรมชาติการเข้าถึงธรรมชาติตัวแรกเลยคือเนี่ยรู้สึกที่ฐานกายนะอันนี้มันทนโทษมากเลยโชวอยู่ตลอด แต่เราก็มองข้ามมันไปดฉะนั้นคนไหนก็ตามถ้าไปอยู่คนเดียวแล้วยังว้าวเวอยู่คนเดียวแล้วยังเหงาอยู่คนเดียวแล้วมยั ง, Huawei, ยยย ง, ยยยงต้องการเพื่อนที่เป็นวัตถุหนึ่งสองสามบุคคลหนึ่งสองสามต้องการหนังสือดีๆต้องการดูข่าวดีๆหรือว่าต้องการได้ยินได้ฟังเรื่องราวดีๆก็นั่นหมายถึงว่าเรายังขา ด, ดวิชากรรมฐานขาดการรู้สึกตัวทั่วพร้อม อันนี้เราจะต้องพึ่งวัตถุนึงสองสามบางคนหนึ่งสองสามไปเนอะแต่ถ้าเราจะพึ่งตัวเองเอาชนะตัวเองก็คือการกลับมารู้สึกตัวการนัง่งการเดินการยนืนการนอนเนี่ยมีความรู้เนื้อรู้ตัวเรียกว่าตั้งสติก่อนเป็นสติปัตฐานเป็นสติที่จะพาเราเดินสู่ความพ้นทุกข์เรามีความฉลาดเฉลียว เ, เห็นโลกตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องต่อไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆในความรู้สึกตัวมีทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ว่าเราไม่ต้องไปพูดในรายละเอียดเราไม่ต้องไปรู้ก่อนรู้หรือว่าเห็นก่อนเห็นก็ไนดะ้แค่ว่าเคลื่อนมือพลิกมารู้สึกตัวยกขึ้นมารู้สึกตัวมาวางที่สะดือรู้สึกตัวจะเป็นผู้ใหม่งานเนี่ยเป็นงานใหม่เลยเคลื่อนไหวรู้สึกเดินจงกรมมันเป็นงานใหม่เลยมันสอนให้เราฉลาดจะได้ออกมาจากความคิดเห็นความคิดจัดระเบียบความคิดอย่างเงี้ยนะแล้วก็เจตนาคิดพูดคิดทํามันจะเกิดประโยชน์แบบนี้ขึ้นนะ ก็เห็นความคิดเป็นความบริสุทธิ์หรือว่าความคิดเป็นกุศลเป็นอกุศลอย่างไรเป็นธรรมที่เป็นกุศลเป็นธรรมที่เป็นอกุศล้าเป็นอกุศลเราก็ไม่ใช้มันถ้าเป็นกุศลก็หยิบมาใช้ให้ถูกกาละเทศะอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยเพราะนั้นจะมีทางเดินชัดเจนถ้าเรามีความรู้สึกตัวตั้งแต่เริ่มต้นเลยนั่นแหละกรณีนักเวียดธรรมที่เป็นนักวียธรรมใหม่ๆก็อย่ามามีปัญหาเกี่ยวกับว่า แล้วเราจะทํางานด้วยได้หรือไม่อย่างเงี้ยนะามาจะเฉลยให้การทํางานของนักแบบธรรมที่เป็นผู้ใหม่ก็คือเกี่ยวข้องกับปัจจัยสี่ของตัเองให้เรียบร้อยก่อนเวลากินกินยังไงนะเวลาหากินหากินยังไงเจนญาจอมอย่างเงี้ยนะหากินหาอาหารหายยังไงนะจะต้องอาภาจนะยังไงเอานะช้อนเอาส้อมเอาปินโตเก็บไว้ยังไงเนะี่ยเป็นงานของเรา หาอยู่หากินนี่ยนะอีกหน่อยหนึ่งพอเราช่วยวเรวงได้พอมีเวลาว่างมากขึ้นที่ว่าว่างมากขึ้นก็คือหลังจากที่เราปฏิบัติจนกระทั่งมันเหมือนว่าพออกพอใจแล้วระดับหนึ่งก็คือได้ฝึกได้หัดจนกระทั่งมันมีความรู้สึกแล้ไปไม่รอดมันเบือ่อแต่ว่ามันไม่สามารถพลิกความเบือ่อมันเป็นลนักษณะของการเบือ่อความทุกข์ที่เราหลงได้ปัญญาได้ตัวเบื่อนี่ดีนลยจะมีปัญญาหยิไม่ใช้เบือ่อความทุกข์ที่เราหลงเบื่อ ที่เราจะพูดไปทําให้คนอื่นจะทุกพราเราเบื่อเบื่อความจนอย่างเงี้ยนะเมื่อเราเบื่ออย่างเงี้ยมันจะพลิกกันทีเบื่อแล้วเกินไอ้ปวกที่มันกินสาลาเนี่ยเบื่อมันจริงจงเลยมันกินสาลาเดี๋ยวก็พันจะได้เออทาศาลาสมัยอันนี้ดีนะถ้าเบื่อแบบเนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเหมือนกับว่าอืหางานที่มันไม่ได้เกี่ยวความคิดมากมายทําเช่นหยิบไม้กวานมาขวานพอถึงสามโมงเี่ยทํามาทั้งวันแล้วเนี่ยเนาะ จาบน้ําอาบธาละอากาศหนาวเงี้ยบางทีมันจะกลัวความหนาวอาบน้ําอาบดีไม่อาบดีเงี้ยตักน้ําลาดลงไปมันก็เย็นวาาเงี้ยนะมันก็กลัวตอนจะอาบก่อนที่จะอาบแต่ถ้าอาบแล้วมีปัญหาแต่ว่าทะเลาะกว่าสักหน่อยเหงื่อซึมซึมไปอาบน่ะพอดีพอดีเลยเราก็หางานแบบนี้ให้ตัวเองทําของคนที่เริ่มต้นปฏิบัติใหม่ๆนแต่งานที่ต้องไปขบคิดเนี่ยเลิกไปเลยไม่เอามาทําเลยให้ฝ่ายบริหารเขาทา ในวัดนี้มีฝ่ายบริหารอยู่อาจารย์นดอาจารย์ตุ่มอาจารย์วัดใจฝ่ายบริหารหรือพระที่เขาช่วยช่วยกันเข้าขายกันเขาทาส่วนเราก็้ากรรมฐานแล้วก็ทํางานเช่นห้องน้ําเช่นเจอกระดาษทิชชู่เช่นเจอถังขยะเก็บขยะภายในอะไรพวกนั้นขยะภายนอกก็คือไอ้ที่เราเห็นอยู่เป็นวัตถุรูปธรรมขยะภายในก็คือความคิดของเราขณะเคลื่อนไหวมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัว พอเราเริ่มเหมือนกับว่ามีความปกตินะีเราก็จะเห็นเลยก่อนเข้าวัดน้ำทุกจะตายไปหน้าดํามาแต่มาอยู่วัดทําไมมีความสุขอย่างเลยเอ๊ะทําไมมันดีโดยที่เราก็ไม่รู้มกันสาเหตุเกิดมาจากอะไรก็ไม่รู้แต่รู้มันอยู่ที่เนา่นมันมีความสุขเอาขึาแล้วนะก็หมายถึงว่ามันเริ่มเห็นแล้วมันมีความสุขเริ่มกลับไปเปรียบเทียบกับที่บ้านมาเวลาอยู่บ้านทำไมไม่มีความสุขอย่างเงี้ย มันมีปัญหามติดขัดอยู่ตรงไหนเนั่นแหละคือการงานของเราที่เราจะต้องทําที่บ้านทุกอย่างจะต้องพึ่งตัวเองตั้งแต่ตื่นยันหลับนั่นนะมีลูกก็ต้องดูลูกมีนี่ก็ต้องใช้นี่มีรถก็ต้องล้างรถปลูกต้นไม้ต้องรถต้นไม้มีสัตว์ก็ต้องให้อาหารสัตว์มีบ้านก็ต้องถูบ้านเมันก็ได้ประยุกเอาความรู้สึกตัวที่เราฝึกในรูปแบบแล้วก็ทํางานเล้อน้อยหน่อยนยเอาไปใช้ในบ้านขั้นทําแล้วมันหลุด พอไม่มีสิ่งแวดล้อมทีดมดมม่ดีไม่ได้มีการยมิดไม่ได้มีครูบาอาจารย์ได้มีไม่มีคนแก้ลมปฏิบัติมันก็ติดข้างติดขัดอย่างเง้ยนะถ้าเราไปอย่างนั้นไม่นานนักมันก็เหมือนเดิมมันก็คืนสภาพโซนนิสัยเก่าๆยังทุกเหมือนเดิมนั่นแหละอันนี้เราก็จะต้องกลับมาอีกเรียกว่า ท, ทุกทุกทีค่อยเข้าวัดถ้าเป็นภาษาธรรมาก็บอกว่าเออไม่จําเป็นหรอกที่เราจะต้องเหมือนกับว่า ออไม่ทุกเวลาอยู่บ้านหรือว่าทำงานมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนะั่นแหละแต่ว่าบางครั้งบางคราวเรารู้สึกตัวได้กรรมฐานเล็กๆน้อยๆที่เรามาฝึกมาหัดสามวันห้าวันเจ็ดวันมันติดอยูบางคนก็อยู่นานมันยิ่งติดเลยแหละมันเปรียบเทียบได้อย่างได้ยินยายทองคำพูดบ่อยๆเวลากลับไปบ้านนะโอ้ยอยู่ไม่ได้มันร้อนมันรู้สึกว่าเขาพูดคนละภาษากันมาอยู่วัดมันสบาย เนี่ยเราบันได้การเปรียบเทียบแบบนั้นนะทุกคนเราจะเห็นกระทั่งแม้แต่ออกนอกวัดก็ตามหรือว่าเราอยู่ในวัดเนี่ยเราคุยเรื่องธรรมะหรือว่าคุยออกนอกเรื่องเน่ยนะมันจะรู้ทันทีในความรู้สึกมันดูดกันะมันก็โลกใบนี้มันหมุนใช่ไหมมันหมุนมันเวี่ยงแรงเวียงนะมันมันดูดเมื่อเวลาเราคิดเราพูดเราทำเนี่ยอารมณ์มันจะเวียงมันจะพูดไปตามจริยนิสัยเพราะเสพจึงติดพระติดจึง อยากว่าอยากจึงเสพเพราะเสพจึงติดเพาติดจึงอยากเนี่ยมันเบี่ยงเป็นวัตตาสงสารกิเลสมันเหวี่ยงเนี่ยนะมันหมุนติ้วติ้วติ้วติวติติอยู่ในตัวเราอะในสมองอในความคิดในจิตของเราะจิตเราก็เลยพลอยหมุนติ้วไปด้วยพอจิตเราหมุนติ้วไปด้วยครั้นี้ก็หัวก็หมุนตามไปด้วยพอหัวหมุนมาเนี้ยงงวยมุนงงเบลอไม่ชัดเจนในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปนะ เราก็เลยบอกเอ๊ะทำไมวันนี้เรารู้สึกมันไม่ปกตินะทำไมมันฟุงฟ้งๆงงๆรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขนีหลายคนก็บออย่างนั้นบางคนก็เลยไปกบเกลื่อนหาความสุขที่ดื่มได้ก็มีไปดูหนังดูละครไปกินเหล้าเมายาติดสิ่งเสพติดเล่นการพนันหรือว่าเที่ยวกลางคืนหรือว่าสารพัดคบเพื่อนชั่วต่างๆถือว่านะเป็นเรื่องของ แรงดึงดูดกันดีมก็ดูดไปหาดีไม่ดีก็ดูดไปหาไม่ดีขี้เหล่าก็ดูดไปหาขี้เหล่าขี้โมโหก็ไปหาขี้โมโหขี้รักไปหาขี้รักขี้ขโมยพวกนี้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนของมันเราก็จึงเห็นว่าเออบางทีเนี่ยกรรมฐานเนี่ยรู้คขังเดียวรู้นิดเดียวรู้สึกตัวมันก็ช่วยเราได้แล้วมันสรุปจับประเด็นได้เลยอะ มันก็รู้เลยว่าหายใจครั้งเดียวนะมันก็เออมันช่วยเรามีชีวิตยอยู่ได้แล้วยแต่าการจะมีชีวิตยอยู่ได้ยาวๆนานๆก็คือหายใจทุกครั้งหายใจเข้าหายใจออกทุกๆวินาทีอย่างนี้ฉันใดก็ดีความรู้สึกตัวก็เป็นอย่างนั้นนะ่ะเราก็พยายามที่จะเคลื่อนไหวรู้สึกตัวทุกๆวินาทีเหมือนกันจิตของเราก็จะได้ไม่เหือดแห้งหรือว่าขาดความรู้สึกตัวจนสติมันเฉามันตา ย, ม, ตายมันเน่าไปมันกลายเป็นบ้าบอคอแตกน่ะ เสียจริตเราก็มาฝึกกันให้มันรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกเดินรู้สึกจนชํานาญมาชนานาญแล้วมันจะไปไปทิศทางไหนอก็นวล้วละคืนสู่ความเป็นปกติของจิตมันะจิตที่เคยเสียเป็นสุขเป็นทุกข์เสียปกติไปเมื่อกับคือเราเป็นปกติของจิตมันมีจริงๆนะสิ่งเนีน้ก็จึงอย่ามองข้ามทุกชีวิตเลยเพราะว่ามันเป็นชีวิตมนุษย์เหมือนๆกัน เวลาขวดขวดเหมือนกันเวลารักๆัเหมือนกันเวลาชังชังเหมือนกันเวลาขันั่งอยู่ขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนเวลาเมตตาก็นำเมตตาเวี้ขาเวลาที่จะอดทนไอ้ชั่วครัวบาปมันเหมือนกันนะถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวเหมือนกันเลยมันไม่มีใครหลอกที่ออกนอกทางเนี้ยแต่ถ้าไม่รู้สึกตัวปั๊บขาดสติปุ๊บมันก็ตรงกันข้ามทันทีไม่เราจะเลือกอะไรเราก็ต้องเลือกสติเลือกจิตเลือกทรร เดินไปทิศทางสู่การพ้นทุกข์ด้วยกัน อ, อ่าวอนากรพูดมาเห็นว่าสมควรแก่เวลาก็คงจะมีประโยชน์อยู่บ้างหรอกไม่มากก็ น, น้อยนะแต่เห็นว่าไม่มีประโยชน์ก็เอเอเาก็ตัวใครตัวเรากัล้วนะมารับพิ่เจ้าคำพูดเหมือนกันก็ขอใหนะ้ความรู้สึกตัวหรือว่าการที่เรามาฝึกสติร่วมกันจเจริญภาวนาก็เรียกว่าจิตใจของเราที่เดินทาง จากไปจากสาระวัตถุร่ากายไปภูนขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วก็ต่อยอดไปเปน็นของอิยะก็คือตั้งแต่โสดาบันติทาคาเมียนาคาเมี่ยขึ้นไปจนถึงเป็นพระอรหันต์นั้นหมายถึงว่าเราละตัววิชาได้ก็ขอให้เราได้เห็นธรรมมาตามสมควรแก่การวิบัตินะโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนท่านเธอ